บูชาไฟต่อไปเมื่อสั่งเสร็จและไปแล้วเด็กหมูเล่นเพลินไปไฟก็ดับเด็กคิดถึงคำสั่งจึงเอามีดมาถากไม้สีไฟด้วยหวังจะได้ไฟก็ไม่ได้ไฟจึงพาไม้สีไฟออกเป็นสองซีกสามซีกจนถึงยี่สิบซีกทำเป็นชิ้นชิ้นใส่โครกต่าแล้วเอามาโรยที่ลมด้วยหวังว่าจะได้ไฟแต่ก็ไม่ได้